พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าอย่าเห็นทรัพย์ภายนอกเหนือกว่าทรัพย์ภายในวันนี้เป็นวันที่หนึ่ง อาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 7ันเวันนี้เป็นวันอาทิตย์เดือนเจ็ดเมื่อคืนที่ผ่านมารู้สึกว่าฝนเทลงแรงพอสมควร <c oughs> แต่ก็เป็นอุปสรรคสำหรับพวกเราจะลอกสระน้ำของลวงตา เมื่อวานที่ว่าแดดออกมาแล้วคิดว่าจะทางานได้แต่เมื่อคืนตกถล่มลงมาอีกวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะพวกเราอยู่ใต้ดินฟ้าอากาศพวกหนึ่งก็อยากจะให้ตกพวกหนึ่งก็ไม่อยากจะให้ตกหลายๆคนนาน า, นาจิตตางนานาทัศนะนานาความเห็นนานาความต้องการคนหนึ่งต้องการอย่างหนึ่งคนหนึ่งต้องการอย่างหนึ่ง บางทีกความต้องการสวนทางกันทำให้ทะเลาะวิวาทกันโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละสารพจน์วุ่นวายเราเกิดในโลกไม่ไหวจะเกิดในสวรรค์จะสวรรค์ก็ยังความคิดก็ยังสวนกันถึงจะมีความสุขแล้วก็จะ ก, ยก็ยังไม่เป็นเอกภาพยังไม่เป็นเอกฉันเหมือนกัน ทะเลาะวิวาทกันอีกอยู่บนสวรรค์อย่างพวกสวรรค์ชั้นต่ำกับทะเลาะกับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ฮะสวรร์ชั้นจาตูมตามพระไตรปิฎกท่านพูดตามไม่จริงต่างคนต่างมีความสุขแล้วก็ไม่น่าจะทะเลาะกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึง ตัดกับพราหุนบุตรชายบุตรของพระพุทธเจ้าพราหุนบอกว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระบิดาทรงของราชอยู่ขุมทรัพย์ผดขึ้นมาในสีมุมเมืองเมื่อพระพุทธองค์ไปทรงผนวดแล้วขุมทรัพย์เหล่านั้นก็หายไปขอพระองค์จงพระราชทานขุมทรัพย์ คืนมาให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดเพราะข้าพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าเป็นดินสุเผยราชพาระลาหุณอายุเจ็ดปีนะเพราะว่าได้รับการเสี่ยมสอนจากพระมารดาคือนางพิมพายะโสธราเมื่อพระพุทธองค์ไปทรงผนวดแล้วก็ยังเหลือบุตรชายที่จะเป็นพระเจ้าเป็นดินของราชกรุงกบิลพัท ต, ต่อไป พระพุธองค์บอกว่าลาหุนเธอจะเอาโลกิยทรัพย์หรือโลกุตระทรัพย์โลกถ้าโลกิยทรัพนั้นมันหมดเป็นพอได้มาแล้วก็เสื่อมแล้วก็แย่งกันแย่งกั น, แ ย, กนแย่งลาบแย่งยศแย่งสนเสริญแย่งสุขกันอันนี้คือโลกิยทรัพย์แต่ถ้าเป็นโลกุตระทรัพคือทรัพอันประเสริฐไม่มีเสื่อมไม่มีถอย ไม่มีคำว่าอันตรทานมันอยู่ในจิตใจของแต่ละคนเพราะนั้นลูกอย่าเอาสิ่งที่ยั่งยืนโดยเอาสิ่งที่มันเสื่อมเอมันหมดมันสิ้นไปพร้อมกันกับทะเลาะวิวาทกันอีกต่างหากจะเอาอันไหนเอาโลกุตละทรัพย์ดีไหมลูกพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ก็เอาสาลีบุตรนำลาหุนไป บรรพชาซะเป็นสัมมนเนนเพื่อจะได้โลกุตระทรัพย์ต่อไปอันนี้ละขนาดพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านมองเห็นหมดว่าโลกทั้งหลายนี่มีแต่มุม่งหวังโลกิยทรัพย์แต่โลกุตระทรัพย์ภายในจิตใจนั้นไม่มีใครมองเห็นเพราะไม่มีใครชี้นำชี้แนะ และก็พาดําเนินก็เลยมองเห็นตั้งแต่โลกิยทรัพย์ก็เลยแย่งกันแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันเป็นอยู่แย่งหาความสุขจากกันและกันแย่งอยากจะให้คนอื่นสรรเสริญตัวเองถึงจะมีลาบมียศแล้วเถอะจะไม่มีใครสรรเสริญก็หาความสุขไม่ได้ถ้าคนเขานินทาเพราะนั่นก็ต้องหาอีกสรุปแล้วก็คือ หาใยในสอย่างลาบยศสรรเสริญสุขอันนี้ก็คือโลกิยศทรัพทั้งหมดแต่โลกุตตะทรัพคือทรัพอันประเสริฐน่ะมันเป็นการหาการส่แสวงหาด้วยตนเองคือการชําระปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นพระอริยบุคคลนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปไปว่า ได้โลกุตรทรั์เป็นขุมเป็นหลุมแรกเป็นโลกุตรรซับหลุมแรกพระสักทาคามีเป็นโลกุตรทรัราาร์หลุมที่สองพระอนาคามีเป็นโลกุตรทรัพ์หลุมที่สามพระอารหันต์อันนี้นเป็นโลกุตระซั์หลุมใหญ่ที่สุด ไม่มีหลุมไหนใหญ่เย่งกว่าหลุมโลกุตระทรัพของพระอระหันต์นี่แหละนนี่ก็คือการสแสวงหาโลกียะทรัพโลกุตระทรัพเพราะนั้นท่านจึงให้มีให้ท า, านให้ทานคล้ายๆว่าเรามีโลกียะทรัพเพื่อไปเปลี่ยนเป็นโลกุตระทรัพให้คล้ายๆว่าไปเปลี่ยนไปทำบุญ เอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าหาว่าเราไปทิ้งสมบัติไว้โดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยมีแต่หากองไว้กองไว้กองไว้กองไว้ผเรนเถินเถกเไม่ได้ทําบุญทําดันไม่ได้สงเคราะห์อนุเคราะห์ใครเลยเไม่ได้เจือจุนเพื่อนมนุษย์ชาติไม่ได้ทําอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติต่อพระศาสนาต่อวงศาคนาญาติเราได้กองมากองผเรนขึ้นมาจากนั้นก็ เพียงแต่ว่าได้ท่านเองแต่พอตัวเองจากไปก็ทิ้งสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรโลกุตระทรัพย์อันทรัพย์อันประเสริฐที่เข้ามาสู่จิตใจไม่มีไม่ได้ไหลซึมเข้ามาสู่จิตใจเลยมีแต่ทิ้งทั้งหมดอันนั้นะฉะนั้นทิ้งโลกิยทรัพย์มันเข้ามาสู่จิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งมวลถึงเราจะได้โลกิยทรัพย์แลว้วก็ตาม เราก็ต้องมาเปลี่ยนที่ทรัพย์ที่เหนือกว่าที่มั่นคงกว่าที่แน่นหนามั่นคงกว่าคือโลกุตระซั์อย่าไปนอนใจฉลาใจแต่ว่าโลกิยาซั์ที่เราได้รับความสุขความสบายความสุขทางโลกเพียงแค่นั้นอย่างไม่พอเพราะฉะนั้นควรสสแสวงหาโลกุตระซัพย์ด้วยโลกุตระซั์เป็นขั้นเป็นขั้นๆ ข, ข, ขึ้นไปอย่างที่หลง พ่อได้พูดเลี้ยงระดับให้ฟังเพราะนั้นพวกเราอย่าช้าใจอย่าลุ่มหลงหมัวเมากับโลกิยรทรัพย์จนเกินไปเอาเธอได้ขนาดไหนก็ได้ขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ได้งอมืองอเท้าไม่ได้ลดละความพยายามที่จะสแสวงหาโลกิยรทรัพย์แต่ถ้าเราสแสวงหาจนเกินไปกระทำให้ตนเองเสีย ผู้เสียคนเสียอกเสียใจเสียความรู้สึกเพอผลอเส้นเลือดแตกในสมองอีกต่างหากเป็นบ้าเป็นบอพีอีกต่างหากเพราะว่าเราคิดมากจนเกินไปสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทบทวนในแนวความคิดในแนวการสสแสวงหาโล ก, กิยาทรัพย์คือหาแล้วก็รู้จักพอประมาณรู้จักวางอ ย, อย่าไปทุกข์กระมันจนเกินไป ถึงจะหาขนาดไหนก็เถอะแต่จะทําใจให้ทุกข์กับมันจนเกินไปอันนี้เพียงแต่ปัจจัยสี่เป็นเครื่องอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวจากนั้นพวกเราก็จะได้ผ่านไปอย่างพวกที่เราเห็นเห็นคนทั้งหลายที่เป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินมีตั้งเยอะแยะที่เราเห็นไม่ว่ารัฐมนตรีไม่ว่าผู้แทนไม่ว่ากหัตบดีมหาเศรษฐีที่ร่ารวยพวกเราก็เห็นแล้ว ในเมื่อจากไปได้อะไรมีอะไรกับเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายพอไปเผาอยู่ที่เมนแล้วก็เห็นแต่กระดูกอยู่ที่นั่นผลที่สุดก็ไปลอยอังคารทิ้งเนี่ยเราได้ท่านเหล่านั้นถืออะไรไปด้วยได้ที่ท่านมีสมบัติมากมายมหาศาลที่มันที่ท่านมียศฐานบรรดาศักดิ์สูงส่งที่ท่านมีญาติติโกโหติกาพี่น้องเพื่อนฝูงมากมาย ท่านได้อะไรไปบ้างแต่สรุปแล้วก็คือเสมอกันกับพวกเราแต่ที่สิ่งที่ได้นั้นมองไม่เห็นผู้มีญาณทัศนะคือพระพุทธเจ้าพระหันทสาวกผู้ที่ท่านรู้เห็นภายในใจท่านมีเครื่องมือเป็นผู้มีเครื่องมือพิสูจน์ว่าท่านโพธิตายไปแล้วไปที่ไหนเขาได้อะไรไปบ้างไปตกนรกหรือไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหม หรือว่าตัดกิเลส ช, ชำระกิเลสภายในใจแล้วเป็นพระอรหันต์สิ่งเหล่านี้ผู้มียานนาทานะัทะทนานรู้ได้เพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานี่ท่านพูดชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นไปของวิญญาณหรือว่าใจหรือมนโนหรือผู้รู้ตัวนี้เน่ยสุปแล้วก็คือไม่สูญตายไม่สูญ ร่างกายในสูงแน่นอนที่หลวงพ่อเปรียบเทียบว่ารถเนี่ยต้องพังแน่นอนไม่เกินยี่สิปีใช้ไปใช้ไปแล้วก็พังใช้ไม่รู้จักหยุดเพื่นเสียจะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก็เก่าเป็นรถเก่าแต่ร่างกายของมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาเกิดออกมาจากท้องแม่เครื่องไม่เคยดับเลยหัวใจเต้นอยู่ตลอด ตั้งแต่เกิดมาจนถึง890ปีถ้าจะว่าไปแล้วก็ทนทนทายาตนะพูดแบบนั้นนะร่างกายของมนุษย์ทนทายาตดแต่ขนาดเครื่องรถเป็นเหล็กแท้เอามาใช้ชั่ววระยะหนึ่งถ้าขนาดวิ่งมาถึงวัดของเราก็ยังจอดไม่ได้ติดเครื่องเอาไว้เวลาจะไปเรายังค่อยติดเครื่องยังค่อยขึ้นไปนั่งยังค่อยไปแต่ขนาดนั้นอายุของมันก็ยังไม่ยืนยาว ร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่ออกมาแล้วกบบหัวใจเต้นตลอดขนาดกลางคืนนอนหลับเครื่องก็ยังไม่ดับติดอยู่ตลอดเวลานี่แหละร่างกายของเราแต่อีกสักวันหนึ่งเถอะก็อยู่ในกฎอันนีจังเหมือนกันอนันนจังของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดถึงจะเป็นสิ่งไหนก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วเป็นภาชนะน้อยใหญ่ จะเป็นวัตถุสิ่งไหนก็ตามน้อยใหญ่ขนาดไหนก็ตามต้องมีจุดจบในวันหนึ่งแต่จะนานหรือช้าช้าหรือนานต่างกันเท่านั้นเองแต่ว่าถึงจุดจบแน่นอนเพราะนั้นร่างกายของคนเราด้วยสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแล้วก็อยู่ในกฎอันใน จ, จังพระพุทธเจ้าสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกต้องมีทุกในตัวของมันเองสิ่งไหนเป็นเป็นทุก สิ่งนั้นเราจะมายึดว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรไปยึดทุกมาเหรอไปกอบโกยทุกมาให้ใจของเรายึดอย่างนั้นเหรอเราไม่ควรจะยึดในทุกสิ่งนั้นเป็นทุกมิใช่ตัวตนของเราเนี่นี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิเสธอันนี้จังทุกขังให้เป็นอนัตตาทั้งหมดใจของเรานี่ยไสิ่งไหนที่ไปยึดเขากับ ตัวของเราก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันเพราะนั้นไม่ยึดกระทั่งใจมองกระทั่งใจใจของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันมันเหมือนไม่แพ้กันกับข้างนอกถ้าเรามองดูด้วยธรรมด้วยสติด้วยปัญญาของเรานะด้วยมหาสติมหาปัญญาสติคือความระลึกได้สติคือความไม่เพลอเลอนึกอยู่หัวใจของเรามันคิดเรื่องอะไรเราก็จะเห็นใจของเรานึกคิด สับปลับอยู่ตลอดเวล่ำเวลาเพราะฉะนั้นใจไหนก็ตามที่มันมันอันนี้เป็นอนนีจังที่มันขยับอยู่ตลอดเวลานะที่นั้นมันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงเลยจะเป็นสุขได้ยังไงใจไม่เที่ยงนะในเมื่อมันไม่เที่ยงนะเงินเป็นทุกขนะ์นั่นแหะให้พิจารณาให้ดูจุดนั้นให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวาง น, นั่นกนะ็คือตัวอนัตตาไนมะ่ใช่ตัวตนของเรานะ นี่แหะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาถึงจะพูดไปมากขนาดไหนก็เถอะถ้าย่นเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาแล้วมันออกไปจากใจของเราทุกคนใจของเราเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเรื่องออกไปจากใจทั้งหมดพวนั้นพวกเราให้ดูสิ่งของต่างๆพอดูแล้วก็ให้ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นนะใจนะให้รู้เท่ารู้ทันไหมนะ ให้สะสะแสวงหาโลกุตระไว้ในใจนอะโลกียะแต่ทํำยังไงเรามีบุญวัดาสนาบารมีมาอย่างไงมันก็ไปตามบุญวัดาสนาบารมีนส่วนหนึ่งเราก็ต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมในอดีตด้วยและก็เชื่อความหมั่นความขยันเชื่อความสามารถในปัจจุบันด้วยบวกกันถ้าปัจจุบันมีความสามารถก็จริงอยู่เก่งทุกทุกอย่างแต่บุญวัดาสนาบารมีเก่า มันไม่ให้ผลมันไม่ส่งเพราะไม่มีบุญในอดีตที่จะมาส่งมันก็ไปไปถึงดวงดาวอีกเหมือนกันไปไม่ถึงความร่ำรวย ไ, ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางของเราอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะบุญเก่าของเราไม่มีเพราะนั้นมันต้องเสริมทั้งสองอย่างเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงิงพระพุทธเจ้าจังหวาเกิดมาพบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีย่าทาทำแต่สิ่งที่ดี ที่เป็นกุศลที่เป็นบุญเป็นกุศลคิดดีทดําดีพูดดีในเมื่อเราทําดีตลอดความดีนั่นแหละจะเข้ามาสู่จิตใจจะไปกิเกิดพบหน้าชาติหน้าบุญบารมีของเราที่ทําดีนี่แหละจะเป็นเครื่องเอื้อกูลหนุนเราจะมีแต่ความสุขความเจริญแต่ถึงจะมีความสุขความเจริญทางด้านวัตถุขนาดไหนก็เถอะก็ยังอยู่ในกฎอนิจจงทุกขังอนัตตาเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เจอเอง ผลนสู่จเจออีกเจออยู่งั้นทางว่าเราไม่ได้พิจารณาเข้ามาสู่จิตใจใจของเรายัางรุ่มหลงมัวเมาอยู่ใจของเราจะมีแต่ความทุกอยู่ในจิตในใจตลอดแต่เราปล่อยตัวนี้ซะเห็นุนั้นเอจังเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าม่องมีสีสุขขนาดไหนไม่ว่ายศธรรมบรรดาศัก์สูงส่งขนาดไหนเอาเถอะ ชีวิตทั้งชีวิตจะต้องถึงจุดจบไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเราก็ไม่แพ้กันท่านก็ไม่แพ้เราเหมือนกันเสมอกันแต่ว่าคุณงามความดีบุญกุศลที่เป็นแนวทางโลกุตระทรัพนั้นสั่งสมบา ล, ลบีนั้นนั่นแหละจะเข้าสู่จิตใจของแต่ละคนแต่ถึงวันหนึ่งเราจะต้องเป็นเศรษฐีเมื่อเราสั่งสมโลกุตระทรัพย์อยู่ตลอด แต่ถ้าเรามีแต่โลกิยาทรัพย์ได้มาแล้วก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ทําบุญไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเลยไม่ได้ทําช่วยสาธารณประโยชน์อะไรเลยนะได้มามีแต่รวยรวยรวยเท่า น, นั้นเองพอรวยเสร็จแล้วก็ ก, กองไว้วก็จบแปลว่าได้โลกิยาทรัพย์มาไม่เปลี่ยนเป็นโลกุตรทรัพย์เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะเมื่อได้โลกิยาทรัพย์แล้วก็ควรจะเปลี่ยนเป็น โลกุตรทรัพยบซัพย์อันยั่งยืนต่อไปคือบุญกุศลมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าของเราท่านปรารถนาถึงข้าพเจ้าเกิดในพบใดชาติใดสั่งสมบัลมีมากน้อยให้ทานถึงจะให้อวัยวะเป็นทานควักดวงตาให้ทานควักดวงใจให้ทานหัวใจให้ทานอวัยวะน้อยใหญ่ให้ทานทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงให้ทาน ให้ลูกให้ภรรยาข้าไปเจ้าปราถนาโพธิยานพระพุทธเจ้าท่านหน่อยโอให้ข้าไปเจ้าได้ตัดรูปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานโพธิยานเป็นที่รักของข้าพระเจ้าเนี่นแหละพระพุทธองค์ท่านบําเพ็ญมาอย่างนั้นนะคล้ายๆวัดถึงจะมีทรัพย์สมบัติจึงมีอะไรมาก็ตามเอาโลกียะทรัพย์เพื่อจะเปลี่ยนเป็นโล ก, กุตระทรัพย์ซื้อทองคําสังสมไปตีละน้อย ละน้อยละน้อยถึงกับเงินได้เงินกระดาษมาใช่ไหมเงินกระดาษก็คือเงินแต่ว่ามันไม่ถาวรซื้อทองคําไม่ดีกว่านีหรือว่าซื้อแผ่นดินไม่ดีกว่าลักษณะอย่างนั้นอ่ะโล ก, กุตตะละเนี่ยเปรียบเทียบเป็นทองคําหรือเป็นแผ่นดินแต่โลกียทรัพย์นั้นมันเหมือนกับเงินกระดาษลักษณะอย่างนั้นล่ะอันนี้คือเปรียบเทียบแต่เมื่อได้โล ก, กุตตะละทรัพย์เต็มที่แล้วนั้นแปลว่าเป็นผู้ร่ํารวย เป็นพระรหัรและจบไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารว่า น, นั้นขอให้พวกเราได้โล ก, กียะรัพย์แล้วก็ให้แสวงหาโล ก, กุตรทรัพย์ต่อไปนะอันรับพรวันนี้ให้แนวความคิดแนวหนึ่งนะสับพวกเราเพื่อการศึกษา